เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติและพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นละบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนายทะกรคนชอบเล่าวันนี้ไปเจอนิทานดีๆมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับจึงอยากจะนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ฟังขอเชิญสดับรับฟังกันได้เลยครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าเขาชื่อทิฐิ เมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมีนามว่าทิฐิเขาเป็นคนมีทิสัยอวดดื้อถือดีไม่ต่างกับชื่อเพราะเมื่อได้ลองเชื่อมั่นในสิ่งใดแล้วทิฐิคนนี้ก็จะยึดมั่นและถือมั่นในสิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแล้วก็จะไม่ยอมรับฟังข้อคิดเห็นที่ผิดไปจากความเชื่อเดิมโดยเด็ดขาดแม้ว่านี่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนเอาจริงเอาจังและเคร่งครัดกับชีวิตแต่บางครั้งเขาก็ดื้อรั้นมากเกินไป จนขาดเหตุผลและทำให้สูญเสียสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไปมากมายโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนกล่าบก็คือสำหรับทิธิเขาไม่ใช่คนที่ร่ำรวยดังนั้นจึงต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายประทางชีวิตกระทั่งมีฐานะขึ้นมาในระดับหนึ่งทิธิจึงคิดที่จะหยุดพักตัวเองจากการทำงานและเดินทางไปเรื่อยๆ เ, เพื่อเที่ยวชมโลกว่างที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัส และเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นทิฐิจึงจัดการฝากบ้านไว้กับญาติพี่น้องและก็เก็บสัมภาระออกเดินทางทันทีการเดินทางของทิฐินั้นเขาได้เดินทางไปยังที่ต่างๆชมนั่นแลนี่และก็ได้พูดคุยกับผู้คนที่อยู่ในที่ต่างถิ่นมากมายการท่องโลกกว้างของทิฐิก็น่าจะทําให้เขามีความรู้ดีๆเพิ่มขึ้นหรือเกิดทัศนคติใหม่ๆขึ้นมาแต่ความเป็นจริงแล้ว เมื่อใดก็ตามที่มีคนกล่าวคําซึ่งผิดไปจากความรู้หรือความเชื่อมั่นเดิมของเขาทิทิก็จะรีบกล่าวแก่คนคนนั้นทันทีว่านั่นมันไม่ถูกเลยท่านที่จริงแล้วมันต้องเป็นอย่างที่ข้ารู้มาตั้งหาสิ่งนี้เองที่ทําให้การเดินทางไปทั่วโลกของเขาแทบจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดขึ้นในชีวิตกับความรู้ของเขาเลยกระทั่งวันหนึ่งทิทีได้พัดหลงเข้าไปในดินแดนแห่งทะเลทรายอันแสนจะแห้งแล้งและไร้ผู้คนสัญจร เขาหลงทางอยู่ในดินแดนแห่งนั้นสวันสามคืนจนกระทั่งอาหารและน้ำดื่มร่อยรอและค่อยๆหมดลงในที่สุดทิฐิจึงเดินทางต่อไปไม่ไหวเขาล้มลงนอนบนผืนทรายอย่างคนสิ้นเรี่ยวแรงแต่ทิฐิยังไม่อยากตายตอนนี้ดังนั้นแม้ร่างกายจะอ่อนหโหยรยแรงยังไงเขาก็ยังรวบรวมพลังใจของตนเฝ้ากล่าวคำภาวนาขอความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือเขาด้วย ข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเมตตาข้าผู้ซึ่งไม่เคยเบียดเบียนใครขอทรงประทานน้ำมาให้ข้าด้วยให้ข้าได้รักษาชีวิตของตนเองไว้แม้เพียงหนึ่งหยดก็ยังดีแล้วในตอนนั้นเองทิทีก็เห็นชายแปลกหน้าชาวเยอรมันคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาเขาทิทีเห็นดังนั้นก็ดีใจมากสุดจะกล่าวรีบพูดขึ้นมาทันทีว่าโอ้ท่านผู้เป็นความหวังของข้า โปรดแบ่งน้ำของท่านใหคขาดื่มด้วยเถิดเมื่อชายคนนั้นได้ยินชายคนนั้นก็ยื่นถุงน้ำสีน้ำตาลที่มีอยู่ในมือของเขาให้แก่ทิฐิและกล่าวว่านี่คือวัตซาจงดื่มซิีสิแต่ทิฐิไม่อยากได้วัตซาเขาอยากได้เพียงน้ำดังนั้นเขาจึงปฏิเสธที่จะรับถุงสีน้ำตาลจากชายคนแปลกหน้าคนนั้นเมื่อเขาไม่รับถุงสีน้ำตาลชายเยอรมันคนนั้นจึงได้เดินจากไป ทิธิจึงได้กล่าวภาวนาต่อสิ่งศสักดิ์สิทธิ์อีกครั้งคราวนี้ก็มีชายชาวจีนคนหนึ่งเดินถือถุงน้ําสีแดงเข้ามายื่นให้แก่ทิฐิทิฐิถามว่านี่คือน้ําใช่หรือไม่ชายชาวจีนก็ตอบว่านี่คือซือจุ้ยจงดื่มเสียสิทิฐิได้ฟังก็รู้สึกไม่พอใจตอนนี้เขากระหายน้ํามากเหลือเกินแล้วแต่ทําไมชายผู้นี้จึงนําซือจุ้ยมาหม้อให้แก่เขาอีก ทิธิจึงปฏิเสธถุงหนังสีแดงของชายชาวจีนชายชาวจีนจึงเดินจากไปอีกคนหนึ่งทิฐิเริ่มภาวนาถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งและครั้งนี้ก็มีผู้หญิงชาวอินเดียคนหนึ่งมาปรากฏ ต, ตรงหน้าของเขาได้แทบจะทันทีเธอผู้บีใจเมตตาขอน้ำไม่ค่าดื่มโดยเธอทิฐิพึมพำคำอ้อนวอนออกจากลิ้นผีปากที่แห้งผากมากในขณะนั้นนี่คือปาณีจงดื่มเสียสิ หญิงชาวอินเดียกล่าพร้อมกับยื่นถุงหนังสีเขียวให้กับทิฐิแต่นั่นทําให้ทิฐิโกรธมากเขารวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มียกแขนปัดถุงสีเขียวออกไปพ้นหน้าแล้วก็พูดอย่างโกรธเคืองว่าข้าไม่เอาของของเจ้าข้าจะตายเพราะขาดน้ําอยู่แล้วข้าต้องการน้ําเท่านั้นได้ยินไหมน้ําเท่านั้นหญิงอินเดียเมื่อได้ฟังดังนั้นเธอก็สายหน้าและก็เดินจากไปอีกคน ทิธิเฝ้าอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครนำอะไรมายื่นให้เขาอีกแล้วจิตของทิธิกำลังดุลลอยออกจากร่างที่ใกล้จะแตกดับแล้วในตอนนั้นเองเสียงเสียงหนึ่งก็ดังแว่วแว่วให้เขาได้ยินว่าทิธิคนถือดีเอ๋ยเราช่วยเจ้าแล้วแต่เจ้ากลับไม่เคยให้โอกาสตนเองเลยหากเจ้าเปิดใจให้กว้างและยอมรับในข้อดี ของสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเสียบ้างเจ้าก็คงจะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงหนังทั้งสามนั้นต่างก็เป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั้งสิ้นและเมื่อสิ้นเสียงแววนั้นทิฐิคนถือดีก็สิ้นลมหายใจลงทันทีครับนิทานเรื่องทิฐิก็จบลงผมจะขอกล่าวถึงบทสรุปของผู้แต่งบ้างนะครับเรื่องราวของทิฐินั้นสอนให้เราเปิดตาตนเองให้กว้าง และมองสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยสายตาและหัวใจที่ไร้อคติหากปิดกั้นหัวใจและสายตาเอาไว้ก็อาจจะพลาดสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายซึ่งบางครั้งสิ่งดีๆเหล่านั้นก็อาจจะไม่หวนกลับมาหาอีกแล้วก็ได้หรืออีกในหนึ่งนิทานเรื่อง น, นี้กำลังบอกทุกคนซึ่งนับถือศาสนาที่ต่างกันแต่กำลังยืนอยู่บนโลกใบเดียวกัน จงอย่าลืมว่าศาสนาทุกศาสนานั้นถืกอกำเนิดขึ้นด้วยความปรารถนาที่จะให้มีคนดีๆอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากแม้คำสอนบางประการจะแตกต่างกันแม้เสียงสวดจะเป็นคนละเสียงและทำเนียมปฏิบัติก็จะไม่เหมือนกันแต่เราทุกคนล้วนได้รับการปลูกฝังให้เติบโตเป็นคนดีเหมือนกันดังนั้นขอให้เปิดใจตัวเองให้กว้างและเคารพในคำสอนของศาสนาอื่นๆถึงแม้จะไม่ได้เป็นศาสนิกชนของศาสนานั้น แต่เราก็อาจจะนําคําสอนของเขามาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้บ้างถ้าพบว่ามันเข้ากันได้ดีกับการดําเนินชีวิตไม่เห็นจะแปลกตรงไหนถ้าเราจะนําคําสอนเหล่านั้นมาปฏิบัติในเมื่อทุกศาสนาก็ล้วนหมายมั่นที่จะพิชิตยอดเขาเดียวกันนั่นคือยอดเขาแห่งความดีความรักและความเมตตานี่ก็เป็นนิทานดีๆที่ผมได้นํามาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงกับความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยนะครับ อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ